คนพาณมีบาปแล่นไปยังแม่น้ำพาหุกาท่าน้ำอธิกาท่าน้ำขยาแม่น้ำสุธริกาแม่น้ำสรัสดีท่าน้ำประยาคะและแม่น้ำพาหุมดีแม้เป็นนิดก็เบิ์สุดไม่ได้แม่น้ำสุธริกาท่าน้ำปยาค่ะหรือแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้จะชำระนรชนผู้มีเวรทำกรรมอันยากช้าผู้มีกรรมอันเป็นบาปนั้นให้เบิสุดไม่ได้เลย ดูก่อนพรามณ์ท่านจงอ่านในคำสอนของเรานี้เถิดจงทําความเกษมในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่กล่าวคําเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาวัตถุที่เขาไม่ให้เป็นผู้มีความเชื่อไม่ตระนิท่านจะต้องไปยังท่าน้ําขยะทําไมแม้การดื่มน้ําในท่าน้ําขยะก็จะทําอะไรให้แก่ท่านได้